พระพุทธเจ้าประทามประสงค์ขอ ป, ประวะต่อโขวาัจางของพวเทียนแล้วก็พระมาหาเถระทุกทุกสะเพื่อนสะพันมิกทุกท่านเชริญพรญาติโยมสาุชนทุกๆคนพระตอนเช้าก็เป็นเวลาที่เราได้พบปะกัน ตอนเช้าตอนเย็นในพูดใด้ฟังเพื่อให้เป็นส่วนประกอบสบการศึกษาปฏิบัติธรรมก็ให้ฟังสบายสบายไม่ต้องไปคิดเพื่อที่จะจำหมอไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นก็ได้ขอให้ฟังแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็อยากไปจำ พอพูดเนี่ยไม่ได้พูดให้จำพูดให้ให้ทำฟังแล้วเอาไปทำเอาไปทำดูเมื่อทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีการพบเห็นอะไรต่างๆเพราะการเจริญสติการเจริญสตินี่มันใครๆก็ปฏิเสธนะเมื่อเรามีตานี่แล้ว ถ้าเราลืนตาขึ้นดูอะไรมันก็ต้องเห็นเป็นธรรมดาความรู้สึกคนเลื่ได้จยิ่งเรามาดูกายของเรามันก็ต้องเกิดการพกเห็นแน่นอนเห็นกายเพื่อนไหวทำไมเราจะไม่เห็นเราจะไปทํามันดื่นนะมันจะเสียเวลาเห็นเรามือวางไว้บนเขา่าเราก็รู้ว่ามือเราอยู่บนหัวเขา่า ให้ทำจุดนี่จะไปมัวไปทำมันอื่นอยู่มันจะเนินชาเราพิมชเว้นเราก็ลูบเราพิชเวนพยักเราก็ลูบนะให้ลูบตนนัวนี้ให้เห็นตนนัวนี้เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่นะบางทีแทนที่เราจะเห็นกายเคลื่อนไหว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 และไม่มีอะไรที่จะไปเห็นความคิดนอกจากความรู้สึกตัวพอจะสรุปแล้วมันก็มีกายมีใจจะแรกมันก็มีของสองสามอย่างมีกายแล้วจะมีใจใจมันก็สู่ความคิดแล้วมีสติเป็นผู้ดูเวลาใดที่มันคิดเหมือนก็ว่ามันเป็นอันหนึง่งแล้วก็กลับขึ้นมา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 สิ่งไรที่เกิดขึ้นไม่ไม่พ้นจากภาวะที่เห็นได้เห็นความคิดจะต้องเห็นแน่นอนตัวกายก็เห็นจิตตัวคิดก็เห็นธรรมดังที่คํำพูดของหลายท่านที่พูดไว้เห็นเห็นความคิดทั้งๆที่เราไม่อยากจะดูความคิดแต่มันก็ไปเห็นความคิดนอกจากเห็นความคิดที่เป็น ตัวหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความหลงบางทีมันก็อาจจะเกิดเห็นความง่วงเหงาเหานอนเห็นการปวดการเมื่อยของร่างกายของเราแ้วเราเห็นอีกอมันก็เป็นการเห็นอีกเหมือนเดิมเรากำลังออกมาดูอะไรอยู่เรากาลังออกมาดูไม่ใช่เราได้ไปอยู่แต่ก่อนเราอยู่ ไม่ได้ดูเลยเข้าไปอยู่เขาไปเป็นเป็นผู้ง่วงเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยเป็นผู้เบื่อเป็นผู้ีเกลียดอะไรไปทั้งนองเน่ยพอเรามาตั้งหลักดูอ้าวมันเกิดความเห็นขึ้นมาตัวเห็นกับตัวเป็นเวทลุาลาร์เราแต่ค่ายก็ว่าเออมันได้ที่มันได้หลักมาเราจะรู้อะไรต่างๆก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมา ค่อยดูเอาศึกษาไปฉลาดไปเรื่อยๆทักท่วงควา ม, มง่วงทักท่วงความโปวดความเมื่อยทักท่วงความคิดไปเฉลี่ยหมไม่หมุดตัวเหมือนเมื่อก่อนเป็นอิสระพวกก่ า, าพอเราดูพอเราเห็นเห็นนะสนุกเห็นของจริงคือเห็นเรื่องของกายเห็เรื่องของจิตใจเกิดความสนุกขึ้นมาเกิดความกระตือรือร้น ได้พบเห็นอะไรต่างๆตางๆกลัวกับดูไปดูมาเราก็ขยันดูอย่างเดียวจนความรู้สึกท่องเที่ยวอยู่ในศรัทธาที่มันเคลื่อนไปก็ธรรมดาแล้วแต่เราท่องเที่ยวอยู่ในที่ใดอยู่ในทินไหนนก็ชำนาญในที่นั้น <c oughs> เหมือนกับพวกเราอยู่วัดป่าเขาของขา พระสงฆ์ราวาสญาตโยมที่อยู่วัดป่าเขาคงคามันก็อยู่ในหัวใจของเราทั้งหมดปติหลังไหนอยู่ตรงไหนห้องน้มห้องท่วมอะไรอยู่ที่ไหนเราก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้ น, นตรงไหนเรารู้จักพร้อมที่จะแก้กไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีความชำนาญสติเมื่อมีความชำนาญอยู่ในกาย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 เมื่อกเราเห็นความคิดแล้วเห็นความคิดอีกแต่เห็นไม่ชัดเจนเห็นความหลงไม่ชัดเจนแล้วก็เราเห็นขมโมยจับขมโมยไม่ได้มันก็ตำรวจคทำห า, าบเบาะแสจน ร, รู้สึกขโมยโจรผู้ไรก็ฟรีตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ไปจับได้ได้ทันทีไม่ฆ่าหนังฆ่าเขา นักเพลงสมวยก็ฟรีก็สบายไปพ้นโทวบทกฎหมายเขาก็ตลาดตัวตามเขาไม่ทันในตัวเราในสมวันกันบางทีถูกความคิดหลอกแล้วหลอกอีกความโกรธความโลภความหลงโลกเราอยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ไม่ทันเพราะเราไม่มีหลักไม่ชํานาญ ไ, ไ, ไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมก็ถูกหลอก เมื่อถูกบอกคนลงไปเสียวเวลาไปแต่นี้พวกเราพำลังดูอยู่เนี่ยเรามีหลักเรามีฐานแม่วิชากรรมฐานนี่ฟังชื่อก็น่ารัก่ากกรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทาสมบูรณ์แบบที่สุดตายเราก็มีจริงๆการกระทำของเราก็มีจริงๆเราเคลื่อนไหวอยู่นี่สบายๆาย เราไม่ได้คิดหนาะเราไม่ได้วาดมโนภาพเหมือนกับวิธีนีตามพระพุทธเจ้าสอนเราจริงๆว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วพองค์ก็ยังไม่พอเท่าไหร่บอกลงไปว่ากายนี่ก็สักว่ากายไม่ใช่สัวบุคคลตัวตนเราเขาเอาให้ชัดเลยเอาให้เกลี้ยงไปเลยถ้าเรามาพูดมันก็กช่วย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 แต่ากายมันหิวเป็นมันปวดม่เป็นก็ไม่ใช่รูปไม่ใช่กายเพราะกายมันมีรูปมีหนามมันรู้อะไรได้โยงกัดไม่เจ็บก็ไม่ใช่กายไม่รู้จากร้อนไม่รู้จากหนาวมันก็ไม่ใช่กายความร้อนความหนาวความเจ็บมันเป็นสัญญาเตือนภัยของกายนั่งนานๆมก็ปวดเออขอบคุณที่มันปวดน่าขอบคุณมันแทนที่เราจะเป็นตุกเป็นทุกไม่ใช่ เออเนี่ยมันดีจริงๆใจยนี่ยมันปวดาจที่มันรอ้อนมันหนาวอย่าไปโอยอย่าไปหน้าโบดหน้าเบ่งไม่ใช่เรือ่องแรกกระทั่งความหิวเนี่ยขอบคุณมันมากๆที่มันหิวเนี่ยหลวงพ่อเคยเหิวของมากคราวหนึ่งไปอยู่ที่วัดตานาโคเนี่ยอยุหกสิบกว่าปีแล้วหิวข้าวเหมือนกับเด็กๆนะ โอ้อาหารก็ตักมาแล้วเต็มภาชนะอยู่มันก็หิวจิดชื่นใจขอโทเราเนี่ยอายุตัง้งหกสิกว่าปีมันหิวนี่แสดงว่าสุขภาพร่างกายดีจริงๆขอบคุณมันเลือเอิยร่างกายที่มันหิวเนี่ยปกติที่สุดท่านั้ากายมันหิวไม่เป็นก็ไม่ใช่การแต่บางคนนะ เวลาความหิวเกิดขึ้นเนี่ยทุกอารมณ์ก็เกิดแทรกเข้ามาใจก็ห่อเหี่ยวเป็นทุกข์ซ <c oughs> ้ำเติมลงไปแทนแทนที่เราจะขอบคุณความหิวมันก็เลยห <c oughs> ลงทะเลถลหลไปซะไปเป็นทุกข์ไปเป็นสุข ด่วนไปเอาสุขด่วนไปเอาทุกข์รเพราะอะไรไม่รู้ความจริงถ้าเรามาตั้งหลักดูดีๆมันจะได้คำตอบทุกเลือกจนจะไม่จำนานเห็นเรื่องของกายของใจแต่ก่อนก็เป็นกายเป็นใจแต่เป็นกายเป็นใจนี่มันไม่แตกฉานแต่พอดูไปดูหวัวกายของเราที่เคลื่อนไปอยู่ไน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 ในเรื่องของกายเรื่องของลูกมันก็มีธรรมชาติมันก็มีอาการเรื่องของนามกับจิตใจมันก็มีธรรมชาติมีอาการเฉลยเท่านี้มอบให้ธรรมชาติมอบให้อากาศตัวตนเลยไม่มีเป็นธรรมชาติเป็นอาการความร้อนความหนาควคมปวดปวดคมเมื่อยามมาามมาเป็นอาการของลูก อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับ น, นามปิจิตเป็นความวิต ก, กวความความเศร้ามองความโลภโกรธหลงเป็นอาการไม่ใช่เป็นหรือไม่ใช่จิตแต่เห็นทีใดก็พอตอบจะได้ไปแล้วก็หายวับมันเป็นอาการแล้วเราก็สั่นคลอนไปถึงอารมณ์ความโกรธโลภหลงความทุกข์สังขารตรงแต่งต่าง งอนแงนคลอนแขวนกระทบ ก, กระเทือนหาที่ตั้งไม่ได้เป็นขบวนการแห่งการลื่อถอนความทุกข์มองข้าเราไปเลื่อถอนบ้านเห็นจุดที่ลือ่อพอเลือเ่อนไ่ออกก็เห็นจุดนั่นจุดนั่นจุดนั่นมันก็บอกมันติดตันข้องอยู่ตรงไหนมันบอกไม่ต้องไปถามใครไปเห็นความทุกข์ เป็นโลกมันทุกข์เห็นน้มมันทุกข์เป็นโูกที่มันเป็นโลกเห็นน้ำที่มันเป็นโลกก็กระเทือนไปสิ่งใดที่ทำให้ลูกเป็นทุกข์สิ่งใดที่ทำให้น้มเป็นทุกข์โลกเกิดเข้า อ, อกเข้าใจรู้แช้งเช่นหลักเป็นกระบวนการแห่งการรื้อถอนเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบ ทะโลอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างอืีนที่เรามาทำอรื่อนี้ก็่างอย่างก็ไม่ชัยชนะไปพ้นไปปรากฏการความทุกข์ความสลาดเกิดขึ้นความโง่ลงหลงลามไยหมดไปเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหมดไป <c oughs>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 แล้วคนอื่นตอบให้ก็ไม่ถูกตัวเราเองตอบเอาเองไปพบเห็นเราเองจะจะทําจริงๆไม่มีคําถามมีแต่คําตอบแล้วตัวเองต้องตอบตเองเสียด้วยโอ้เราก็ลัวโอ้บุญเราได้บุญจริงๆเราได้บุญจริงๆเราละ บ, บาปไปจริงๆเกิดความสุขหลับ ในสิ่งที่เราโง่หลงเกิดความฉลาดขาึ้นมารู้เรื่องาศาสนารู้เรื่องพุทธาศาสน า, สาศาสนาคืออะไรคนในศาสนาคือคนเป็นอย่างไรเราเข้ถึงาศาสนาเราไม่ทุกาศาสนาเครื่องเครื่องคือตัวเรานี่ยแท้ๆคือตัวเราที่ไม่ทุกเกิดความฉลาด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 โ น, น้นปรินิาพานไปแล้วเลยสองันห้ารอยสี่สสองสีันนั้นเราไงสามารถที่จะเห็นทรงได้นี่จร <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ๆ>ิงจริงท่านพก็เคยไปดูเลี้ยวหลอยร่องลอยของพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงถูกต้องในสำรับตำลาที่เขียนเอาไว้ไปดูที่ไปสูตรไปดูที่ตัดะลุ ไปดูที่แสดงธรรมไปดูที่ปริเนพนันไปดูสถานที่ต่างๆยิ่งเพิ่มพูนศรัทธาจนผู้ตกอาวา่าต่อในใจเขาว่ า, าโอ้ยไม่ไหวจะไม่มีขนาดไปดูร่องลอยของพระพุทธเจ้ามหรือเปล่าไปดูที่อยู่ของเหล่าพระสาวก โดยเฉพาะท่าอาชันตาอยู่เมืองอลังก บ, บัดแถวโน่นแถวกใลใ้ใสบอมเบย์ส่วนว่าผู้ที่ไปอิตียีถ้าไม่เห็นอาชันตาแล้วเสียเที่ยวแถวบอมเบย์หลวงพ่อไม่ไม่ไปลงแถว รักกัตตาไปลงบอมเบยอะไสิเดีบไกลสุดโน้นแล้วก็ค่อยย้อนกลับมากลับมามากับถูงเมืองเมืองหลวงของเขาเมืองอะไรจาไม่ได้เห็นจังเมือ ง, มงหลวงของอินเดียเอดดิเ ด, ดวมาขึ้นถ้งกลับมาขึ้นอีเ ด, ดีอาชันตานี่ข้าวอาชันตาน ไม่ใช่สมัยของพระพุทธเจ้าสมัยสาวกของพระพุทธเจ้าโอ้ยไปเห็นรอยศรัทธาศรัทธาของหมูงพระสงฆ์จอ่อโเขาสร้างเป็นศาลารา์โพเขากันเป็นตัวอยู่จ่ภูพเขาเป็นศาลาราสองชั้นสามชั้นเสานี่ เอาหินในนั่นเลยพระประธานก็เอาหินในนั่นเลยกติก็ทําเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องจ่อเป็นหมอนหนุนบ้างจอกเป็นที่วางตะเกียงบ้างจอกหินจอ่อภูเขาไม่ใช่แรงบงังคับเกิดศรัทธาพระสงฆ์หนึ่งเป็นศรัทธาจริงๆลักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลักศาสนาลักหมู่ลักคณะ เห็นเครื่องคงจะเป็นหมู่เป็นคณะที่คิดเหมือนกันทำเหมือนเดียวกันแล้วก็ไม่ไปตีภาษาเร า, าวัานเราก็ู้ดลังรอยศรัทธาของเ่าพระสาวกอย่างมหาวิรัยนาลันชานเนี่ยเป็นมหาทิริยที่เกิดก่อนอะไรทั้งหมดในโลกเป็นรอยมือของพระสงฆ์เท่นั้อยศรัทธาของชาวพุทธทั้งมัน เมื่อกับสมัยในหรือวัดเขาคงคาของเราถ้าศรัทธาแล้วอะไรต้องไม่อยู่จ้างโบสถ์ปีเดียวสามเดือนเสร็จศรัทธาความสมานสามัคคีอันนี้มีจริงเป็นเรียอรลอยของพระพรุทธเจ้ามีอยู่จริงเราจะให้ไปดูทํอ๋อยฉันตั้ง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 ถ้าคนนี้สติแล้วทววันทั้งหมดมันปิดสํารวมเองมันจะไม่เป็นศีลได้อย่างไรก็สบายมากสะดวกที่สุดไม่ต้องไปนั่งรลับตาสองบอลสํารวมอะไรถ้าคนนีสติลุยเลยหลวงพ่อบอกว่าลุยได้เลยลู่ลื่ลได้เลยเพราะจะลดที่เขาทําด้ดีขนาดขึ้นมันลื่นไว้ได้สบาย คนมีสติลืกตาไม่คล้องไม่ติดถ้าเป็นสติปัฏฐานมันคงแน่วแน่ไม่พลันพลัไม่ไปเสียภาษาหอกตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในกำมือของความรู้สึกตัวทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวผมงรู้สึกตัวนล้วแลเราก็ทำได้จริงๆพลิกมือขึ้นรู้สึก หลวงพ่อไปสอนใครถ้าเขาพลิกมอขึ้นรู้สึกยกมาขึ้นรู้สึกหลวงพ่อสบายใจแล้วเป็นหน่อโคธิ์แล้เพราะนั้นเราไม่ต้องมาเหมาะสมแล้วกับชีวิตทุกชีวิตอ่านหนังสือไม่ได้ก็ได้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะแล้วความรู้สึกตัวก็ไม่อยู่ที่รินเราเป็นไหนก็อยู่กับเราอยากรู้เมื่อไหร่ก็รู้ได้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 ลูกเสือนอนดูดนมแม่ก่อแม่มันก็ถูกลูกสอนเสียบที่หน้าอกตายนอนอยู่แต่ลูกมันดูดนมถ้ จ, จะไม่มีน้ําน ม, มาเสือน้อยตัว น, นั้นก็ลอ้อบุรุษคนนั้นก็สงสารเอาเสือน้อยตัว น, นั้นมาเลี้ยง <c oughs> แทนที่จะไปขายยาก็เลยกลายเบนความรู้สึกไป ไปยินดีกับเสียงกับลูกกับรถกับกลิ่นถ้าจะว่าแล้วนะก็เสือจนมาเลี้ยงเลยเสือตัวนั้นก็กลายเป็นเสือหกปากแต่ละปากกินอาหารไม่เหมือนกันบุรุษข้านาก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงเสือน้อยตัวนั้นจนใหญ่โตจนไม่อํานาจจนบุรุษข้านาก็ลักใช่เสือตัวนั้นตลอดแอบจะไม่่อยก็คิดอยากจะฆ่าเสือ เลยไปหาอาจารย์ที่ทำยังไงเึง่อฆ่าเสือได้อาจารย์คนที่หนึ่งก็บอกว่าเอาเอาเอากงห้าขี้ไปขังเอากงสิบขี้ไปขังเอากงสองร้อยยี่สิบเจ็ดขี้ไปขั ง, 5, 2020, ไ, ขงไม่อยู่ไปหาครูคนสุดท้ายบอกว่าให้ทํากลงขี้เดียวลวกเขานำกลก็มาเอากงขี้เดียวขังเสืออยู่เลย กงห้าี่ก็คือสิบสิบสิห้ากงสิบี่ก็คือสิบแปดจะแทดี่สิบชี้สินแปดสินสิบสองร้ยี่สิบเจ็ดขังเชื้อไม่อยู่พังออกไปจนโบราณระหว่างอัศจรรยใจโ อ, โอ้โอ้ท้องสมตาแตกกระโปรงกข่าวสมมามันกลัวโอนหน้ัปวดทุกสิน มเป็นสนามะตลอดญาติโยมเนีย่ยงสงฆ์สงสามสงสามเป็นผู้ที่มั่นคงบำุงาศาสนาอย่างนี้ชาวบ้าน น, น่ยเห็นอยู่เนี่ยว่านโนนละเวียงก็ไม่ใช่บ้านอะไรที่ใหญ่โตช่วยทํารับผิดชอบสักผิงสุขจังตลอดทัดยดยมยาจอมจะนั่งอยู่เนี่ยมีศรัทธาเห็นโยมกราบไหว้ทีใดแล้วมัน มันถอยหลังไม่ได้ต้องเดินหน้ากับพุ้งกระ้นั่นเรียกว่าทุสินพิฏฐิพอได้กงสี่เดียวมีความรู้สึกตัวอยู่เลยเสื่อหกปากไปไหนไม่ได้นี่เรียกว่าปริสุดทิ่สิเป็นสินที่เกิดขึ้นเกิดการสารวมเองในตาในหูในสมงูงเนร่งกายจเราก็สะดวกสบายสบายการเจริญเจริ เพราะฉะนั้นนี่พวกเราจึงไม่พากันเนินช้าตรงเข้ามาส้ายตรงที่สุดคือความรู้สึกตัวก็ต่อไปถึงกับสังที่พูดนะพี่ในว่ามันเห็นเป็นช่องเป็นทางไปเห็นโลกเห็นโลกทุกเห็นน้ำทุกเห็นโลกโลกเห็นน้ำโลกไม่มีอะไรที่จะปิดบังอัมา ง, างหรือซ่อนหลบอยู่ มันชื่อว่าทุกเนี่ยจะเป็นทุกเรื่องใดเกี่ยวข้องกับทุกเป็นสภาวะทุกข์ทุกตามธรรมชาติความร้อนความหนาวความหิวการปวดการเมื่อยยืนเดินนั่งนอนหายใจเป็นสภาวะาทุกธรรมดาทุกอันนี้กาหนดโลกหรือกำหน ด, ดการบันเทาเกี่ยวข้องเป็นไม่ใช่ไปทุกจน น่ะบุญน่ะเวิร์กเศร้าโศกเสียใจไม่ใช่นิสสลานทุกข์ทุกข์อยู่นั่งนิสเป็นการหายใจตอนอะไรต่างๆเนี่ยอาจะว่าเราเป็นเป็นก้อนทุกข์ลูกเนี่ยเป็นลูกทุกข์เป็นก้อนทุกข์ ท, ทั้งทั้งเทวันก็เป็นทุกข์อยู่เรายังหาทุกข์อนเดินไปใส่ไปเอความโกรธความโลภความหลงไปเอาความรัก ค, ค, ค, ค, ความชัง่งไปใส่ไปเติมให้มันเป็นพละเกิดขึ้น